วันนี้พวกเราได้มาเติมมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้คือกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราเพราะการฟังธรรมจะมีอนิสงส์หรือมีผลประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรม ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้มาฟังซ้อีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดำับ 3. จะกมจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง คือมีปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขความสุขความเจริญในธรรมนี้ก็คือมงคลของชีวิตนี่เองการที่เราจะฟังธรรมแล้วได้อนิสงส์ที่ได้จากการฟังธรรม เราจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็คือร่างกายของเราก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบคือนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรทำอะไรบางท่านเคยคิดว่าเวลาทำอะไรแล้วเปิดธรรมะฟังไปด้วยก็จะได้ประโยชน์ ได้บ้างแต่ไม่ได้เต็มที่เพราะเวลาที่เราฟังทำแล้วเราทําอะไรไปด้วยใจของเราก็ต้องแบ่งไปสองสองที่แบ่งไปที่งานที่เรากําลังทําอยู่และแบ่งมาที่ทำที่เรากําลังฟังอยู่การฟังทำก็จะไม่ต่อเนื่องก็จะเป็นได้เป็น ได้เป็นตอนตอนไปไม่ได้อย่างทุกตอนขาดตอนไปฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องได้แต่ก็ดีกว่าการไปฟังเพลงหรือฟังอะไรที่ไร้าสาระต่างๆแต่ถ้าอยากจะให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรที่จะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไร อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังนั่งเฉยๆเราไม่ต้องมีความกังวลกับการกระทําต่างๆเพราะเราไม่ได้ทําอะไรใจของเราก็เลยจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมได้อย่างเต็มที่ถ้าเราไม่พูดไม่คุยกันถ้าเราพูด เมื่อเราคุยกันเราก็จะอยู่กับการพูดคุยกันจะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมธรรมที่เข้ามาในหูก็จะออกไปเข้าหูซ้ายก็จะออกหูขวาไปจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้รับรู้ธรรมนั่นเองใจไปรับรู้อยู่กับการสนทนากันคุยกัน กายก็ต้องสงบวาจาก็ต้องสงบเวลานั่งฟังธรรมก็ไม่ควรจะคุยกันแล้วก็ใจก็ต้องสงบใจสงบก็คือใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสเท่านั้นแล้วก็จะคิดตามเหตุผลของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ นี่คือเรียกว่าการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบปัญญาถึงจะเกิดผลที่พึงจะได้รับก็จะเกิดความสงบทางกายทางวาจานี้เราก็เรียกว่าศีลความสงบทางใจเราก็เรียกว่าสมาธิการฟังธรรมนี้จึง จำเป็นที่จะต้องมีศีลและมีสมาธิจึงจะทำให้เกิดปรรัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องได้เห็นเห็นประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเช่นธรรมที่เราไม่เคยได้ย uh uh ินได้ฟังมาก่อนนี้คืออะไรก็คือวิธีการที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆวิธีที่จะทำให้เรา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองเป็นธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราไม่รู้เสียได้ซ้ําไปว่าเรานี้กําลังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าเรานี้กําลังติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเราเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่ พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอตายไปไม่ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้มานับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้กี่ล้านชาติด้วยกันแล้วก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรม เราจะไม่รู้ความจริงอันนี้ท่านถึงบอกว่าเวลาฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของความทุกข์ใจและเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการยุติความทุกข์ใจต่างๆถ้าเราฟังธรรมแล้ว เราก็จะได้ยินวิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่เคยฟังธรรมเลยถ้าเราเคยฟังธรรมมาแล้วพอเรามาฟังวิธีเหล่านี้เพิ่มเติม เราก็จะได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับก็จะทำให้เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ mm. เพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่า การฟังธทำเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราต้องปฏิบัติถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลก็ต้อง ปฏิบัติอย่างถูกต้องออก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรนี่คือความสําคัญของการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับดูแผนที่นั่นเองออเวลาเราจะเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปเราไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรเราก็ต้อง เปิดแผนที่ดูพอมีแผนที่แผนที่ก็จะบอกทางให้เรารู้ว่าทางจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนั้นจะต้องเดินทางไปบนถนนเส้นใดเราพอเรารู้แล้วเราก็ออกเดินทางตามแผนที่เมื่อเราเดินไปตามแผนที่เดี๋ยวก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราดูแผนที่แล้วแล้วเราไม่ออกเดินทางเราก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็จะไปไม่ถึงถึงแม้ว่าเราจะรู้ทางที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่เราไม่ออกเดินทางเสียทีเรามัวติดอยู่กับธุระอะไรต่างๆที่บ้าน เลยไม่ได้ออกเดินทางไปการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการศึกษาแนวทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอเรารู้แนวทางแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัตนะิเราก็ยังจะไม่หลุดพ้น เราก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆต่อไปอการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จําเป็นคือเราจะได้รู้วิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องอมเมื่อเรารู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้ว ผลของการปฏิบัติจึงเกิดขึ้นมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือลำดับขั้นตอนของการพาชีวิตของพวกเราให้ไปสู่มงคลที่สูงสุดก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง นิพพ า, านก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนิบบานะสัจจกิริยาจะเอตัมมั ง, ก า, มามงการทำนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอย่างยิ่งการที่เราจะทำนิพพานให้แจ้งได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้อง การจะปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้อยู่สามขั้นตอนด้วยกันก็คือทานศีลภาวนานี่เอง ถ้าเราทําทานได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยภาวนาได้เต็มร้อยเราก็จะได้ผลเต็มร้อยผลเต็มร้อยก็คือการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายตายเกิดดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้าเรายังทําไม่ครบท้วนบริบูรณ์ทาไม่เต็มร้อย เช่นทำร้อยละสิบเราก็จะได้ผลเพียงร้อยละสิบผลร้อยละสิบนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะทำให้เราได้ไปเกิดในภพที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราทำร้อยละสิบเราก็จะได้ผลร้อยละสิบภพต่อไปก็จะดีขึ้นกว่าภพนี้ร้อยละสิบ ถ้าเราทำร้อยละห้าสิบพบต่อไปก็จะดีกว่าพบนี้ร้อยละห้าสิบถ้าเราทําเต็มร้อยนั่นแหละเราถึงจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ในเบื้องต้นของการปฏิบัติก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องปฏิบัติจากน้อยไปหามากก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีกำลังมากพอ ที่จะปฏิบัติได้เต็มที่ยกเว้นคนบางคนที่มีกำลังมากอยู่แล้วพอฟังเทศฟังธรรมเสร็จก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยปฏิบัติไปพร้อมๆกับในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมพอฟังแล้วพอรู้แล้วว่าต้องทำทานรักษาศีลภาวนาเขาก็ทำใจ ให้เป็นทานขึ้นมาทันทีทาใจให้เป็นศีลขึ้นมาทันทีทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดขึ้นมาทันทีถ้าเขามีความสามารถที่จะทำได้เขาก็จะสามารถบรรลุธรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยซึ่งมีอยู่ในสมัยพระพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรก จะทรงแสดงธรรมกับผู้ที่มีทานเต็มร้อยแล้วมีศีลเต็มร้อยแล้วมีสมาธิเต็มร้อยแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาเท่านั้นพอพระพุทธเจ้ามาเติมปัญญาให้เขาได้เต็มร้อยเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีเลยนี่คือการฟังไปและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน เราสามารถฟังแล้วปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้ถ้าเรามีกําลังที่จะทำใจให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทานก็คือเรายินดีสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีอยู่ไม่มีความรู้สึกเสียดายหรือหวงแต่อย่างใดศีลเราก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะต้อง ตายไปเ พ, เพราะการรักษาศีลก็พร้อมที่จะตายสมาธิก็คือใจที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาไม่มีอาคติทั้งสี่ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงพอได้ฟังธรรมที่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาและทมที่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราก็คือร่างกายของเราความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้ปล่อยวาง ไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าสามารถนําปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนมาทําใจให้ใจปล่อยวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจก็สามารถบรรลุได้ทันทีเพราะว่าการปฏิบัตินั้นปฏิบัติที่ใจเป็นหลักเะที่ร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น แต่จะหลุดพ้นได้นี้จะต้องหลุดพ้นที่ใจหลุดพ้นด้วยการปล่อยวางหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นความจริงนำไปสู่ความอยากนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย พอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปครอบครองไปถือว่าเป็นของใจเป็นใจนี่พอเห็นว่าไม่ใช่ก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆก็คือปล่อยให้ดับไปเมื่อถึงเวลาที่จะดับก็ปล่อยให้ดับไปไม่ยึดไม่ติด ไม่ต้องการให้อยู่ต่อไปอันนี้ก็จะทำให้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นได้นี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติทานก็คือให้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าเป็นของเราไม่ว่าจะ แต่ไม่ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเท่านั้นลูกภรรยาสามีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสายหรืออะไรก็ตามที่เราครอบครองไว้หรือยึดถือไว้ว่าเป็นของเรานี่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าไม่ได้เป็นของเราเป็นเพียงแต่การ รู้จักกันเท่านั้นรู้จักว่าเขาเป็นพ่อรู้จักว่าเขาเป็นแม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีแต่เขาไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราทาใจได้ทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่จากเราไปเพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองอยู่นี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา ถ้าไปอยากให้ไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่มันจะดับเช่นร่างกายนี้ถึงเวลามันก็จะต้องตายแต่ถ้าไปมีความอยากไม่ให้มันไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายอันเก่านี้ตายไปแต่เรายังอยากจะมีร่างกายอยู่เราก็จะกลับมา เกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ต่อไปพอมีร่างกายอันใหม่ก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่เสมอเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะเรายังจะมีความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายอยู่นั่นหนึงดังนั้นทุกภพทุกชาติที่เราได้ร่างกายมาเราก็ต้องมาทุกข์กับมันทุกภพทุกชาติ เพราะเราไม่มีปัญญานั่นเองเพราะเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษของพวกเราเป็นชาติที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นชาติที่เราได้มาฟังเทศฟังเทศฟังธรรมกันฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือเรื่องของความทุกข์ใจ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นพระ อ, องค์แรกและเป็นผู้ที่ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากพระไถยของพระ อ, องค์ได้แล้วและได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์ได้แล้วพระองค์จึงนําเอาความรู้นี้มาสั่งสอนพวกเราความรู้ที่ของที่พุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเราก็เรียกว่าพระธรรมพระธรรมคําสอนเวลาฟังธรรมก็ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้นั่นเองจะรู้ ทำได้ได้ยินธรรมก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดกันถ้าเราไปที่อื่นนี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมกันเราไปที่โรงพยาบาลก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องวิธีรักษาร่างกายไปโรงเรียนก็จะไปเรียนรู้วิชาการต่างๆที่จะนำเอาไปประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะไม่มี วิชาธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังนอกจากเวลาที่เรามาวัดอย่างวันนี้เรามาวัดแล้วเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันได้มาฟังถึงเรื่องของความทุกข์ใจของพวกเราเองว่ามันเกิดจากอะไรได้มาฟังการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราว่ามันเกิดจากอะไรและจะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์อีกต่อไป จะทำอย่างไรให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอเราฟังแล้วเราก็จะรู้วิธีวิธีก็คือเราต้องทำทานคือต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ต้องไม่ไม่ไปอาศัยมันเป็นสาารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือดับทุกข์เพราะมันดับทุกข์ไม่ได้ ทุกวันนี้พวกเราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือดับทุกข์กันเวลาเราไม่สบายใจอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวก็ต้องมีเงินไปเที่ยวพอเราไปเที่ยวแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวก็จะหายไปชั่วคราวแล้วพอเรากลับมาบ้านอยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวก็จะโผล่ขึ้นมาอีก พอมีความอยากไปเที่ยวก็เกิดความไม่สบายใจอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปเที่ยวถึงจะหายจากความไม่สบายใจนี่เป็นวิธีแก้ความไม่สบายใจที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของความไม่สบายใจก็คือความอยากไปเที่ยนี้เองแต่เราไม่รู้กันเรากลับคิดว่าเวลาเราอยากไปเที่ยวเราต้องไปเที่ยวเราถึงจะมีความสุข เราจึงต้องมีเงินทองกันต้องหาเงินทองกันเพื่อที่เราจะได้ใช้เงินทองนี้เป็นเครื่องมือทําตามความอยากของพวกเราพอเราได้ทาตามความอยากแล้วความสุขสบายใจก็เกิดขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขสบายใจเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอเวลาเกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาใหม่ความสุข สบายใจที่เราได้จากการไปเที่ยวคราวที่แล้วก็หายไปหมดเลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่ได้ไปเที่ยวจะหายก็ต้องไปเที่ยวจะไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เราสละเงินทองไปให้หมดอย่าใช้เงินทองเพื่อมาดับความ ทุกที่เกิดจากความอยากเเพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นวิธีเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์เป็นวิธีเพิ่มพพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเอดังนั้นการใช้เงินทองของพวกเราเพื่อกระทำตามความอยากต่างๆนี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์่เป็นวิธีเพิ่มความทุกข์เพิ่มความอยาก ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เพิ่มภพชาต์เพิมการเวียนว่ายตายเกิดให้มียาวต่อไปเรื่อยๆท่านจึงสอนให้เราเลิกใช้เงินใช้ทองเพื่อดับความทุกข์ใจต่างๆให้ใช้เงินทองเฉพาะดับความทุกข์ทางร่างกายได้เช่นร่างกายขาดอาหารก็ใช้เงินทองซื้ออาหารมารับประทาน ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซื้อหยุกซื้อยามารักษาร่างกายไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไปเช่าบ้านหรือไปซื้อบ้านมาเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งหม่มไม่มีเสื้อผ้าก็ใช้เงินทองไปซื้อเสื้อผ้าได้ถ้าใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ทางร่างกายนี้ใช้ได้ แต่อย่าใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากอยากจะได้ของใหม่ๆของแปลกๆของสวยๆของงามๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีของเหล่านั้นไม่มีก็ไม่ตายถ้าไปซื้อของเหล่านั้นก็เท่ากับเป็นการสร้างความอยากต่ออายุของความอยากให้ยาวขึ้นไป พอพอซื้อ lands, och, ของตามความอยากได้แล้วเดี๋ยววันต่อมาก็จะอยากซื้อเพิ่มอีกความอยากมันจะไม่ได้หมดไปจากการทำตามความอยากความอยากจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากและการที่จะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องไม่มีเงินทองนั่นเองพอเราไม่มีเงินทองไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างพระที่มาบวชนี่ ท่านก็ไม่มีเงินทองพอใจมีความอยากไปเที่ยวท่านก็ไปไม่ได้พอไม่ไปตามความอยากต่อไปความอยากไปเที่ยวก็จะหายไปหมดไปเองนี่คือการทําทานเป้าหมายของการทําทานก็เพื่อยุติการใช้เงินทองทำตามความอยากต่างๆความอยากทางใจไม่ใช่ความอยากทางร่างกาย ความต้องการทางร่างกายนี้ใช้ได้เป็นของที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษแต่การทำใช้เงินตามความอยากนี้จะเป็นโทษเพราะจะเพิ่มความอยากให้มีภาพมากขึ้นเมื่อมีความอยากมากขึ้นก็จะมีภพชาติเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนขั้นที่หนึ่งให้เราเลิกใช้เงินใช้ทองกัน มีเงินทองก็อยากเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันอดไม่ได้พอมีเงินทองอยู่ใกล้มือพอเห็นอะไรอยากได้ก็จะซื้อมาทันทีพออยากจะเที่ยวก็จะไปเที่ยวทันทีแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินไปเที่ยวก็จะไม่ได้ทําตามความอยากแล้วความอยากนั้นมันก็จะหมดกาลังไปเองถ้าเราไม่ได้ทําตามความอยาก เอาเงินมาทาบุญก็จะทำให้เราได้ความอิ่มใจสุขใจช่วยทําให้ความทําให้เราสู้กับความอยากได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่ทําบุญนี้ใจเราจะหิวมากแต่ถ้าเราทําบุญแล้วก็จะบรรเทาความหิวความอยากได้เพราะเวลาทําบุญทําทานแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอในระดับหนึ่ง ทำให้ความอยากไปเที่ยวความอยากซื้อของพุ่มเฟยต่างๆนั้นมันไม่ดุรแรงไม่รู้สึกทรมานใจมากพอที่จะฝืนมันได้ทนมันได้นี่คือการยุติความทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในระดับขั้นที่หนึ่งก็คือด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ ซื้อความสุขต่างๆตามความอยากต่างๆ เ, าเก็บไว้ใช้เฉพาะเรื่องของร่างกายเรื่องของปัจจัยสี่ว่าเรายัางต้องอาศัยร่างกายในการบําเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไปต่อก็คือการรักษาศีลและการภาวน า, าที่มีเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อต่อสู้กับความอยากต่างๆเพื่อฝืนความอยากเพื่อหยุดความอยาก การรักษาศีลก็ให้เราหยุดความอยากในการกระทาทางกายทางวาจาเช่นอยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากพูดปดอยากดื่มสุรายาวเมาก็อยากไปทำฝืนรักษาศีลก็จะทำไม่ได้เมื่อเรามีศีลเราก็จะฝืนความอยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณี อยากจะพูดปดอยากจะดื่มสุรายามเมาได้ต่อไปความอยากที่จะทาบาปก็จะหายไปเมื่อเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างน้อยเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปก็จะไปเกิดในสุขติในสวรรค์ชั้นต่างๆ สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงพระนิพพานในที่สุดนี่คือเป้าหมายของการรักษาศีลเพื่อที่จะได้หยุดความอยากกระทำบาปต่างๆนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วพอเรารักษาศีลห้าข้อได้เราก็จะเพิ่มอีกสามข้อได้เป็นศีลแปศีลแปก็ห้ามความอยากต่างๆอีกเช่นศีลข้อที่สามก็เปลี่ยนจากาการประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ประพฤติร่วมประพฤติเรื่องเรื่องของการหลับนอนร่วมกันอันนี้ก็เป็นการหยุดความอยากที่เรียกว่าการมาราคะ พอถือศีลข้อสามของศีลแปดแล้วก็ร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้อยากจะร่วมหลับนอนก็หลับไม่ได้อันนี้ก็เป็นการฝืนความอยากเบรคความอยากแต่ยังไม่ทําลายความอยากคือเบรคมันไว้ด้วยศีลดึงมันไว้ไม่ให้ไปทําตามความอยากถ้าเราถือศีลได้เราก็ไม่สามารถทําตามความอยาก ในของในศีลข้อที่สได้ก็คือกวามอยากความอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นกับสามีหรือกับภรรยาของตนแล้วเราก็มาถือศีลข้อ6ก็คือการอยากรับประทานอาหารหลายรอบหลายเวลาให้เหลือแค่รอบเดียวหรือเวลาเดียวคือให้รับประทานก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วอยากจะรับประทานอาหารก็ไม่ให้รับประทาน อันนี้ก็มาฝืนความอยากที่จะดับความทุกข์ใจด้วยการรับประทานอาหารชนิดต่างๆนั่นเองซึ่งไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจแต่การเป็นการเพิ่มความทุกข์ใจมากกว่าเพราะเมื่ออยากรับประทานแล้วก็จะมีความอยากตามมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยากหยุดความอยากรับประทานแบบไม่มีเวล่ำเวลาได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไป เพราะความอยากที่จะรับประทานอาหารแบบไม่มีรับเว ล, มเวลามันก็จะหายไปเราก็จะรับประทานอาหารเฉพาะเมื่อถึงเวลารับประทานเท่านั้นแล้วเราก็มาถือสีลข้อเจ็ดก็คือหยุดความอยากต้านต้านความอยากที่จะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์ไปงานสังคมไปงานท่องเที่ยว รายงานอะไรต่างๆที่เราใช้เป็นวิธีดับความไม่สบายใจทางใจเวลาเราอยู่บ้านเรารู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหงาเราก็อยากจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงพอได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงแล้วความเศร้าซ้อยง่อยเหงาก็หายไปแต่มันเป็นการหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็พอเรากลับมาอยู่บ้านอยู่ตามลําพังความอยาก ที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็จะกลับโผ่ขึ้นมาใหม่แล้วความรู้สึกเศร้าส้อยง่อยเหงาก็จะกลับโผ่ขึ้นมาใหม่ทำให้เราอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกไปหาเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะหักห้ามใจของเราหักห้ามความอยากของเราทำใจเฉยๆยอมรับว่าทุกข์หน่อยแต่รู้ว่าต่อไปความอยากนี้จะหายไป ถ้าเราไม่ทำตามความอยากพอความอยากมันหมดกำลังแล้วความรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาความรู้สึกว้าเวต่างๆมันจะหายไปมันเป็นผลที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวอยากจะไปพบกับเพื่อนฝูงอยากจะมีความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆนั่นเองเราถึงต้องมาถือศีลแปดกันเพื่อที่จะได้สกัดความอยาก ที่จะไปหาความสุขหรือดับความทุกข์ใจที่ไม่ถูกทางด้วยการไปทำตามความอยากต่างๆวิธีที่ถูกต้องต้องฝืนความอยากต่างๆต้องไม่ทำตามความอยากต่างๆความอยากไปเที่ยวอยากไปมพบเพื่อนฝูงอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานอะไรต่างๆ อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นให้ยาวต่อไปเป็นวิธีสร้างภพชาติให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเราจึงต้องมารักษาศีลกันในเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าก่อนถ้ารักษาห้าข้อไม่ได้เอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ยังดีดีกว่าไม่รักษาเลยเมื่อเริ่มต้นก็ต้องทาจากน้อยไปหามากก่อน ร้อยละสิแล้วก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบขึ้นไปตามลําดับเช่นเดียวกับการทําทานก็สละไปร้อยละสิบก่อนฝืนความอยากไปร้อยละสิบก่อนครั้งต่อไปก็ฝืนร้อยละยี่สิบต่อไปก็ร้อยละสามสิบค่อยๆเพิ่มการฝืนความอยากไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยให้มันได้เต็มร้อยเลยพอเราทําทานได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อย เราก็จะมีกําลังที่มาภาวนาได้เต็มร้อยมานั่งสมาธิได้เต็มร้อยเช่นถ้าเรารักษาศีลแปดได้เต็มร้อยก็แสดงว่าเราไม่ต้องอยู่บ้านแล้วเราอยู่วัดได้แล้วตลอดเวลาผู้ที่รักษาศีลได้เต็มร้อยก็คือผู้ที่ออกบวชกันนั่นเองผู้ที่ออกบวชก็แสดงว่าเขารักษาศีลได้เต็มร้อยเขาทาทานได้เต็มร้อยแล้ว แต่สิ่งที่เขายังไม่ได้เต็มร้อยก็คือสมาธิและปัญญาที่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อไปในฐานะของผู้เป็นนักบวชหรือผู้ที่อยู่แบบนักบวชเือผู้ที่ถือศีลแปแต่ไม่ได้บวชก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้อยู่ที่การดับความทุกข์ใจด้วยการทำตามความอยากต่างๆแต่เขามีเป้าหมายในการดับความทุกข์ใจ ดับการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการมาภาวนามาเจริญส ม, มถะภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะการเจริญภาวนาทั้งสองชนิดนี้จะเป็นวิธีที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรเป็นวิธีที่จะกําจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปได้อย่างแท้จริงต้องทําที่ การภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวน า, วภ า, ภ า, วนาการทำทานกับการรักษาศีนี้เป็นการสร้างกำลังให้ไปสู่การภาวนานั่นเองถ้ายัางทำทานไม่ได้อยังรักษาศีลไม่ได้อย่าไปหวังในเรื่องการภาวนาเลยว่าจะได้ผลเพราะกำลังไม่พอการที่จะยุติความอยากด้วยการไม่ทำ ด้วยการไม่ใช้เงินทองทาตามความอยากถ้าเรายังทำไม่ได้เราจะไปมีกาลังที่จะไปรักษาศีลได้อย่างไรถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลได้เราจะมีกำลังที่จะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้อย่างไรมันต้องมีกำลังมันต้องพัฒนากันขึ้นไปตามขั้นตามตอนของมันขั้นตอนแรกก็สร้างกำลังใจด้วยการฝืนความอยากจากการใช้เงินใช้ทอง ไปซื้อของต่างๆไปทำอะไรตามความอยากต่างๆพอเราทำทานได้เราสละทรัพย์สมบัติได้เราก็จะไปรักษาศีลได้ไปบวชได้ไปถือศีลบวชได้เพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองแล้วเราจะมาใช้ใช้การภาวนาเป็นการดับความทุกข์ตัดความอยากต่างๆ จัดภพจัดชาติต่างๆต้องใช้การภาวนาและการจะภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาก็ต้องยุติกิจกรรมต่างๆทางร่างกายกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางบันเทิงกิจกรรมทางมหรสลทางอะไรต่างๆทา ง, ทางท่องเที่ยวอันนี้ต้องตัดไปให้หมดเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสมถภาวนาทาใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วก็จะหยุดความอยากได้เต็มร้อยแต่หยุดได้เพียงชั่วคราวเวลาที่ใจสงบอยู่ในสมาธิความอยากก็จะทำงานไม่ได้แต่ยังไม่ตายเพียงแต่ถูกกดเอาไว้พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำลายความอยากให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญาไปถอนรากถอนโคนของความอยาก รากโคนของความอยากก็คือความหลงนั่นเองความหลงที่คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้เช่นลาบยศสารเสริญเช่นความสุขทางตาหูจะโกลิ้นกายคนเราทุกคนในโลกนี้ที่หาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจะโกลิ้นกาย ก็เพราะคิดว่าเป็นวิธีดับความทุกข์ใจของพวกเราดับความไม่สบายใจของพวกเรานั่นเองเวลาได้ราบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายแล้วมีความสุขกันทุกคนแต่เป็นความสุขชั่วคราวช่วขณะที่ได้รับใหม่ๆนั่นเองแต่พอได้มาแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาโดยไม่รู้สึกตัวทุกเพราะต้องมีความกังวลกับ ลาบยศะะเสรเสรกับความสุขเพราะมันเป็นของแม่แน่นอนมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เกิดความวิตกเกิดความห่วงใยกันขึ้นมาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวตอนต้นคิดว่าราบยศเสรเสรสุขนี้เป็นวิธีทําให้เราไม่มีความทุกข์ใจกันแต่ที่ไหนได้พอได้มันมาแล้วก็ได้ความทุกข์ติด ติดตัวมาด้วยได้อะไรมาก็ต้องทุกกับสิ่งที่เราได้เพราะเราได้แล้วเราก็จะรักจะหวงจะหวงจะไม่ให้เขาจากเราไปแต่สิ่งต่างๆที่เราได้มาโดยธรรมชาติของเขาไม่ช้าเขาเร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือแม้เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่ก็คือเป็นการหาความทุกข์แทนที่จะไปหาความสุขแทนที่จะไปดับความทุกข์กลับไปเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา นี่คือความหลงเราต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้รู้ว่าอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาดับดับไม่ได้ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ใจของเราได้ก็คือการหยุดความอยากนี้เท่านั้นอย่าไปทำตามความอยากอันนี้คือปัญญาที่พุทธเจ้าทรงคนพบ แล้วส он, ่งมาสอนพวกเราถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วเรารู้ทันว่าอย่าไปทำตามความอยากเลยทำไปแล้วแทนที่จะทุกข์จะหมดทุกข์กับจะมีเพิ่มมากขึ้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทำตามความอยากได้พอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปไม่มีภพชาติ ต, ตามมาอีกต่อไป นี่คือการกำจัดความอยากอย่างท้ออย่างทาวรอย่างแท้จริงต้องกำจัดด้วยปัญญาแต่ก่อนจะถึงขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิผ่านขั้นศีลผ่านขั้นทานไปก่อนเพราะว่าเรายังติดอยู่ตั้งแต่ขั้นทานทานเรายังติดเรายังติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองศีลเราก็ยังติดอยู่กับการทำบาปอยู่ เราก็ยังติดกับการหาความสุขทางร่างกายอยู่เราก็เลยต้องทำตัดแต่ละขั้นไปก่อนตัดขั้นเงินทองไปก่อนด้วยการทำทานตัดขั้นการอยากทำความอยากทำบาปด้วยการไม่ทำบาปตัดความอยากหาความสุขทางร่างกายด้วยการไม่หาความสุขทางร่างกายเราถึงจะมีกำลังมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ เมื่อทําใจให้สงบ ไ, ได้แล้วก็จะมีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าทุกสิ่ง <S <S <an> <S ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องไม่ใช่เป็นเครื่องมือดับทุกข์แต่เป็นเครื่องสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นก็คือราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์แต่เป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีปัญญาก็จะเห็น เห็นแล้วก็จะหยุดก็จะไม่ทำตามความอยากเพราะความอยากก็คืออยากในลาบยศฉลเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถพันนี่เองไม่ได้อยากกับอะไรหรอกพอมีปัญญาแล้วก็จะเห็นโทษของความอยากแล้วก็จะไม่ทำตามความอยากพอม่ทาตามความอยากความทุกข์ก็จะหมดไปภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปนี่คือ ธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ฟังเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเหตายเกิดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเกิดที่ความอยากต่างๆของเรานี้เองและวิธีที่จะกำจัดความทุกข์กาจัดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมากำจัดความอยากนี้เอง ถ้าเรายังอยากใช้เงินดับความทุกข์เราก็ต้องเลิกใจถ้าเราอยากจะใช้การทําบาปดับความทุกข์ใจเราก็ต้องเลิกทําบาปถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็ต้องดับมันหยุดมันหยุดมันด้วยการทําสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้ว ความอยากก็จะสงบชั่วคราวเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพอเรารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงก็คือการไม่มีความอยากขั้นต่อไปเราก็จะใช้ปัญญาได้เราไม่ต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เราต้องการเรารู้แล้วคือความสงบนี้เองความไม่มีความอยากนี้เองพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันทันทีเราจะไม่ทาตามความอยากพอไม่ทาตามความอยากความอยากก็จะบมดไป หมดไปแล้วความทุกข์ก็หมดไปพพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปเราก็จะได้มงคลอันสูงสุดคือการทำพันิชภานให้แจ้งนี่เองนิบานาสัจจากริยาจะเอตมังกาลมุตตะมังการทำพันิชภานให้แจ้งเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลที่สูงสุดเป็นมงคลขั้นที่ขั้นสุดท้ายขั้นแรกก็คือการไม่ครบคนผ่านการครบบัณฑิต การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาในบงคนสามสิบแปดข้อนี่เริ่มต้นที่ข้อที่อเซวนาจะบาลานังบันิตานันจะเซวนาบูชาจะปูชนยานังเอตัมมังการมุตตังไปถึงขั้นที่สุดท้ายก็คือการทนานิบาะนิพพานให้แจ้งนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้า ทำที่พวกเราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะเคยได้ยินแล้วพอเราเราได้ฟังซ้ําบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจนทําให้เราหายสงสัยในธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าความทุกข์ของพวกเราการเวียนว่ายของพวกเรานี้ การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเรานี้เองถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมากำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจและทมที่พระเจ้าสรงมอบให้เรามากำจัดความอยากที่มีอยู่ภายในใจก็คือทานศีลภาวนานี้เองดังนั้นถ้าเรายังไม่มีทานเขาให้ทาทานกันถ้ายังไม่มีศีลขอให้รักษาศีลกัน ถ้ายังไม่มีส ม, มัทภาวนาให้เจริญส ม, มัทภาวนาถ้ายังไม่มีวิปัสสนาภาวนาให้เจริญวิปัสสนาตามลำดับตามขั้นตอนทำตั้งแต่ขั้นแรกคือทานแล้วก็ขึ้นไปสู่ศีลจากศีลก็ไปสู่สมถทภาวนาจากสาวัถาภาวน า, า, ก, มม า, า, วนาก็ไปสู่วิปัสสนาภาวนาแล้วก็จะไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของการมาเปิดมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าเมื่อฟังธรรมทำแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรานํเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลผลก็คือการดับของความทุกข์ทั้งปวงและการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะทาวาิวาหาปุราภิรุปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตชินางเปตานางอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทธามณิโชติระโสยทธาสัพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสษนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาฏานติ อายุวนโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการจะถามปัญหาขอถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติ ก, ตการถามตอบ งนันถ้าใครต้องการถามก็ขึ้นมาถามบนศาลานี้ได้มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อผู้ฟังทางบ้านจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบให้ทุกคนนั่งเต็มที่ก่อนจะได้ฟังได้เต็มที่ได้ลดได้ชาติถ้ายังมีการขยับขับเคลื่อนอยู่ก็จะฟังไม่ได้เต็มที่ อ่ถามได้นมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหนูจะมีคนชอบเอาขอมาฝากไว้ทำถวายพระตอนเช้าเช้าเป็นประจําแต่คนบางคนคือนําสิ่งของมาถวายฝากหนูถวายพระอะเป็นของที่ชํารุดคือเป็นของที่เช่นของที่เหมือนกําลังจะเสียแล้วเจ้าค่ะคือหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเจ้าคะก็บอกก็ไม่ขอรับก็แล้วกัน บอกว่หนูเลยไม่สบายใจบอกว่าสบายใจแต่จะรับของดีๆของไม่ดีนี่ไม่สบายใจ อ, อก็บอกเขาไปตามความเป็นจริงตอบตรงๆเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วจะไปตอบทำไมคือหนูเกงใจของว่าเจ้าค่ะเกงใจแล้วเราก็ไม่สบายใจสาธุถ้าไม่เกงใจเราก็สบายใจสาธุาก็ไม่เสียหายตรงไหนแล้วพูดความจริงไม่ใช่เหร อ, อใช่ค่ะของของไม่สวยอะค่ะของช้ําๆว่าเจ้าค่ะอ ราะว่าของนี้ไม่ควรจะเอาไปถวายพระไม่ได้บุญนะได้บุญน้อยอยากจะได้บุญต้องถวายของดีๆของที่เรารักเราชอบเราหวงเช่นถวายสามีถวายภรรยาไปเลยสาธุแต่แต่ยาวยามภรรยาไม่ดีสามีภรรยาถวายเอาของดีด เพราะของดีเราจะรักเราจะหวงไงเพราะเราสามารถสละของที่เรารักเราหวงได้เราจะได้บุญมากเราจะได้ความสุขมากแต่เราเราสละของที่เราไม่ชอบนี่ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เหมือนของที่เราจะทิ้งแล้วแล้วเราก็ไปสละนี่มันก็จะไม่ได้บุญคาถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถาม ช่วงข้าพันศานี้โยมจะไปอยู่ที่วัดและถือศีลแปดแต่พอมีธุระต้องออกมาข้างนอกก็จะแวยนอนที่บ้านจะนอนภายในห้องเดียวกับสามีแต่แยกกันนอนคนละที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวอะไรกันทีวีก็ไม่ได้ดูแบบนี้จะผิดศีลหรือศีลจะบกร่องไหมคะถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการกระทำผิด พอเดี๋ยวเกิดอารมณ์โชว์วูฟขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่คำถามจากผู้ปฏิบัตินัข่าชีโอนตอนนั่งสมาธิช่วงหนึ่งมีทุกขเวทนามากแต่ฝืนนั่งต่อใจเห็นเป็นเหมือนกลุ่มสีขาวรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่เห็นร่างกายและไม่รู้สึกเจ็บสักพักจึงออกจากสมาธิขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะการปฏิบัติต่อด้วยค่ะ ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เวลาเกิดทุกขเวทนาก็พยายามทําให้มันชํานาญสามารถที่จะปัดเป่าหรือยุติทุกขเวทนาไว้ได้ชั่วคราวแต่วิธีนี้ก็ยังไม่ได้เป็นวิธีที่ถาวรวิธีที่ถาวรต้องอเผชิญหน้ากับมันได้อย่างไม่สะทกสะทานจะจะเผชิญหน้ากับทุกขเวทนาได้อย่างไม่สะทกสะทาน ก็ต้องไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราก็อยู่ของเราไปเราก็สักแต่ว่ารู้ของเราไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้จะดีกว่าแต่ถ้าเรายัางต้องใช้คำบริกรรมใช้อะไรมาเป็นเกาะคุ้มกันอยู่มันก็จะคุ้มครองเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เราไม่มีเกาะมันก็จะคุ้มครองเราไม่ได้ควาจริงเราไม่ต้องมีเกาะคุ้มครองเราหรอกเพราะว่า ไม่มีอะไรทำลายเราได้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เราเลยไปกลัวทุกขเวทนาขึ้นมาความจริงทุกขเวทนามันทำอะไรเราไม่ได้ตัวที่ทำเรานี่คือความอยากของเราเองตัวที่ทำให้เราทุกนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่ความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปมันเลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราทาใจเฉยๆสักแต่ว่ารู้ได้ เราจะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเลยคำถามจากคุณจีละวันเมื่อปฏิบัติสมาธิจนจิตรวมลงได้และเมื่อออกจากสมาธิให้ออกพิจารณาด้านปัญญาคือพิจารณาไตรักคือพิจารณาอาสุภะการพิจารณาอาสุภะควรพิจารณาความเป็นอาสุภะของตนเองหรือของผู้อื่นก่อนคะ ตามหลักถ้าเราต้องการจะดับการมารมณ์เราก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เรามีความรู้สึกด้วยถ้าเราเห็นคนไหนเราเกิดการมารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องมองตับไตไส้พุงของเขามองส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาแล้วก็จะทําให้เราไม่มีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขา อสุภะนีไม่ต้องมองของเราเพราะเราไม่มีความหนงรักตัวเราเราไม่ได้อยากจะร่วมหลับนอนกับตัวเราเราอยากจะหลับนอนกับคนอื่นนั้นคนที่เราอยากจะหลับนอนได้ด้วยนั้นมองให้เขาเป็นซากศพไปได้ยิ่งดีถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องนอนกับซากศพนี่เราอยากจะไปนอนด้วยหรือเปล่าคาถามจากคุณจุทาทิพย์ข้อที่หนึ่งถ้าเวลากลัวหรือโกรธบางครั้งจะภาวนา พระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์สุชาติจะเป็นการส่งกระแสจิตไปรบกวนพระอาจารย์หรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกันหรอกมันก็เป็นเพียงแต่การคาบริกรรมเท่านั้นเองเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านจะใช้คําอื่นก็ได้ใช้พุทธโธก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ใช้ความตายก็ได้เป็นคําพูดที่เราเป็นความคิดที่เราคิดขึ้นมา ที่จะหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ใจได้ข้อที่2การช่วยคนไข้ที่เบิกค่ารักษาไม่ได้โดยการไม่คิดค่ารักษาหรือคิดไม่ครบทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับเงินตามจริงเป็นการผิดศีลข้อ2หรือไม่คะถ้าทางทางโรงพยาบาลเขาไม่อนุญาตให้เราทำก็ผิดแต่ถ้าทางโรงพยาบาลเขามีนโยบายมีการยืดหยุ่นได้ คนหายากจนก็คิดเขาครึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าไม่คิดเลยก็ได้ถ้ามีการ ม, มีนโยบายแบบนี้มีความเห็นชอบจากโรงพยาบาลถ้าเราทําตามเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แต่อย่างใดและถ้าทําผิดไปแล้วการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเป็นการชดใช้ความผิดที่ทําไปแล้วได้หรือไม่คะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ความผิดที่ทําไปแล้วมันก็ผิด แต่ถ้าเรารู้ว่ามันผิดแล้วต่อไปเราไม่ทำเราก็จะไม่ไม่มีความผิดใหม่ตามมาคำถามจากคุณปีชีพ่อดิฉันสนิทกับพระวัดแถวบ้านไปเป็นมัคคายกบ้างพระท่านก็เมตตาให้อาหารมากินเสมออาหารบิณฑบาตบ้างอาหารเหลือจากทำบุญวันพระบ้างบางทีก็เป็นข้าวของเครื่องใช้แบบนี้จะเป็นบาปไหมคะ ถ้าเป็นของที่พระให้มาโดยที่เราไม่ได้ไปขอก็ไม่เป็นบาปถือว่าเป็นการทําบุญพระทําบุญกับเราเราไปช่วยเหลือพระพระก็อยากจะตอบแทนบุญคุณท่านมีของใช้ไม่สอยอาหารที่เหลือใช้เก็บไว้ก็ใช้ไม่ได้เสียก็ให้คนที่เข้ามาช่วยทําบุญช่วยเหลืองานการในวัดคนที่ไปทําก็รับได้อย่างไม่มีโทษแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าอย่าให้มีความอยากได้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้ามีความอยากได้ก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาคำถามจากคุณแดนนี่แต่ก่อนผมอยู่กับพ่อและน้องสาวหลังเรียนจบผมไปทำงานที่ชนบุรีจากบ้านไปได้8ปดปีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเลยลออกจากงานกะจะกลับมาอยู่บ้านกับพ่อส่วนน้องสาวทำงานอยู่ที่กรุงเทพ พ่ออยู่คนเดียวมาตลอด8ปีเมื่อผมกลับมาอยู่กับพ่อเหมือนจูนกันไม่ติดเลยทะเลาะกันเกือบทุกวันพ่ออารมณ์ร้อนจะทำตามความคิดตัวเองไปหมดไม่ได้ดังใจก็จะโมโหฉุนเฉียวร้องโวยวายขึ้นเสียงดังจะทำให้ได้ดังใจตัวเองให้ได้ผมพยายามนิ่งไม่ตอบโต้พอผมพูดอธิบายไปในทางที่ถูก พ่อก็บอกว่าอย่ามาเถียงผมเป็นพ่อคุณนะเหมือนผมไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อกลับมาบ้านอึดอัดใจไม่มีความสุขทุกข์ใจแต่ถ้าผมกลับไปอยู่ชนบุรีสงบขึ้นไม่อึดอัดใจแต่ก็อดห่วงแกไม่ได้ผมควรทําอย่างไรมีอุบายอย่างไรกับการใช้ชีวิตดีครับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้คือถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อ เราก็ต้องคิดว่าเรามาเป็นคนรับใช้ก็แล้วกันเป็นคนรับจ้างเขาเป็นนายจ้างเราเรามาใช้นี่นี่ที่พ่อแม่ให้ให้กับเรามาบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาให้ชีวิตเรามาตอนนี้เราอยากจะมาตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เราก็ต้องมาในรูปแบบของคนรับใช้อย่ามาเป็นในรูปแบบของเจ้านายของพ่อของแม่ มาอยู่กับพ่อกับแม่ก็อยู่แบบคนรับใช้คอยฟังคำสั่งอย่างเดียวเหมือนกับเราเป็นคนเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยเราไปทำงานเราเป็นลูกจ้างเจ้านายเขาจะพูดยังไงเขาจะว่า ย, ยัางไงเราก็ได้แต่พูดว่าครับผมอย่างเดียวถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ได้เราก็ต้องทาตัวเป็นคนรับใช้ให้ได้ถ้าเราจะทาตัวเป็นใหญ่เป็นโตเราก็จะอยู่กับท่านไม่ได้ อ่ า, อามีใครอยากจะถามยงไหงมบนนี้เดี๋ยวจะส่งมาทางผู้ที่ควบคุมการถ่ายทอดสดให้ได้ถามคำถามจากทางบ้านต่อไปวันนี้เข้ามาเท่าไหร่อวันนี้เข้ามาประมาณสามร้อยสามร้อยหกสิบสามเจดสิบครับแต่ว่าวันนี้ YouTube มีปัญหาครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายครับถ่ายไปได้สักพักหนึ่งก็เสียงมีปัญหาครับเพราะว่าสายน่าจะเสียครับอาจารย์ได้เลยได้สัญญาณดีใช่ไหมวันนี้สัญญาณดีวันนี้สัญญาณดีเลยครับเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะว่าวางวา ง, วางตำแหน่งผิดหรืออะไรไม่แน่ใจครับเพรา ะ, ะคนเลยติดตามได้ไม่มากเข้าถึงแค่หกหมืนกว่า <c oughs> ออวันก่อนต้องแปดแสนกว่ากลางนั้นต้องสิบกว่าเท่า ครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้ปฏิบัตินะครับจากคุณน้องนะครับเวลานั่งสมาธิปวดเข่ามากถึงใจสวดมนต์คาถาชิ น, นะบัญชรในใจแทนพุทโธได้ไหมคะเพื่อให้คลายปวดแต่ยังปวดอยู่แต่ก็ฝืนสวดจนจบบทสวดมนทำถูกต้องไหมคะถ้าสวดไปได้ก็สวดไป คือการสวดนี่จะดึงใจให้เราไม่ไปคิดถึงความเจ็บของทางร่างกายแล้วทาให้ไม่มีความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปพอไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทรมานใจก็จะหายไปความเจ็บของร่างกายก็จะพอทนได้พออยู่ได้พออยู่ได้พ อ, อไดพอสู้ได้ที่เราทนไม่ได้สู้ไม่ได้ก็คือความทรมานใจ ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปพอเรามาพุทโธพุทโธหรือมาสวดบทบทสวดมน์เราก็ลืมเรื่องความเจ็บของทางร่างกายไปความอยากให้ความเจ็บก็หายไปอความทรมานใจก็หายไปทําให้ความเจ็บทางร่างกายรู้สึกเบาลงและเราก็อยู่กับมันได้คําถามข้อต่อไปจากผู้ปฏิบัติจากธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่ง ในขณะฟังธรรมจากพระอาจารย์ควรนั่งแบบไหนเช่นนั่งหลับตานั่งลืมตาหรือจ้องหน้าพระอาจารย์ลูกขอความเมตตาด้วยออการฟังธรรมไม่ควรส่งใจออกไปข้างนอกอย่าส่งไปหาผู้แสดงให้เรานั่งหลับตาอย่างที่เมื่อกี้แสดงไว้ให้สงบกายวาจาใจใจของเราต้องนิ่งต้องอยู่ที่เสียงธรรมที่มาสัมผัสแล้วก็พิจารณาตามถ้าพิจารณาได้ ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ให้เกาะติดกับเสียงธรรมไปเรื่อยๆแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าพิจารณาก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดการหลุดพ้นได้ข้อที่สองลูกทำงานบริษัทพักทานกลางวันตอนเที่ยงป่ายโมงถ้าจะถือศีลแปดสามารถงดอาหารหลังบ่ายโมงได้ไหมเจ้าคะได้ก็เดินไปชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน เหมายของการถือศีลแปด ก, ก็คือไม่ให้รับประทานตามความอยากเท่านั้นเองให้รับประทานตามความต้องการของร่างกายแล้วเมื่อเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องรับประทานเลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งเพราะเราหยุดทํางานตอนเที่ยงถึงจะรับประทานได้อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรข้อที่สาม ลูกอยากทราบว่าถ้าเราจะถือศีลแปดที่บ้านมีที่นอนและเตียงจะดัดแปลงหาอะไรแข็งๆมาวางไว้บนที่นอนเช่นไม้อัดจะได้ไหมเจ้าคะได้รลยจะนอนกับพื้นก็ได้นะแล้วแต่คือเป้าหมายของการนอนก็คื อ, คอไม่ต้องการให้นอนมากเกินไปถ้านอนบนฟูันหานามันสบายพอร่างกายตื่นขึ้นมาพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจยังไม่อยากจะตื่น ก็จะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาเวลามามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อไปอท่านที่ฟังทมอยู่ขอความกรุณาอย่าคุยกันนะเพราะว่ามันรบกวนผู้อื่น ถ้าอยากจะคุยกันขอเชิญไปคุยกันที่ลานจอดรถจะดีกว่าที่นี่ไม่ต้องการให้คุยกันต้องการให้ฟังให้ตั้งอยู่ในความสงบกายว่าใจสงบคําถามจากคุณพาดานะครับเพื่อนฝากถามเขานั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงแต่สังเกตว่าพอเลยชั่วโมงแรกไปทุกครั้งจิตจะอยากออกจากสมาธิ ไปดูทีวีหรืออินเทอร์เน็ตเหมือนเคยห้ามได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะกำลังของสติของเรายังมีไม่มากพอพอถึงขีดหนึ่งมันก็หมดกําลังก็ต้องพยายามเจริญสติให้เพิ่มมากขึ้นก่อนจะมานั่งก็พยายามควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆลดความอยากลดการกระทำอะไรต่างๆให้น้อยลงไป ให้อยู่กับพุทธโธให้มากขึ้นถี่ขึ้นแล้วเวลามานั่งก็จะมีกําลังที่จะนั่งได้นานขึ้นหรือเวลาขณะที่มีความอยากจะลุกก็เร่งเร่งสติขึ้นมาเพิ่มสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทธโธต่อไปแล้วสวดมนต์ไปอย่าอย่าเพิ่งลุกพยายามสู้กับมันไปถ้าเราเกาะติดอยู่กับพุทธโธไปเดี๋ยวพุทธโธมีกําลังมันก็จะพาให้เรา นั่งต่อไปได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเราคิดจะออกแล้วมัวแต่คิดอยู่กับความคิดอยากจะออกมันก็จะนั่งต่อไปไม่ได้คาถามจากคุณพิมลาดานะครับเวลาเรามีความโกรธเราพยายามดับไฟในใจเราให้เร็วที่สุดเรามองในใจเราแล้วบอกตัวเองว่าต้องไม่โกรธไม่โกรธเป็นวิธีที่ดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเราดับมันได้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดี แต่วิธีที่ดีแท้จริงนั้นต้องไประงับเหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆนี่พอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธเช่นเราอยากจะกินขนมแล้วเขาไม่ให้เรากินอย่างนี้เราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่อยากกินขนม <c oughs> เขาจะไม่ให้เรากินขนมเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร อย่างนั้นต้นเหตุของความโกรธนี่เกิดจากความอยากถ้าเราอยากจะกาจัดมันอย่างถาวรก็ต้องหยากไปมีความอยากคำถามจากคุณสุ ก, กี้นะครับตอนนี้พยายามทำจิตให้สงบด้วยพุทโธแต่ระหว่างวันเราเจอเรื่องต่างๆมากมายจนบางครั้งพุทโธก็หลุดสติก็หายไปรู้ตัวอีกก็ไปยุ่งกับกิเลสความอยากไปแล้วอย่างนี้คือเมื่อหลุด ก็ให้รู้ว่าสติหายแล้วให้ตั้งสติขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆในระหว่างวันมันจะช่วยทำให้เรามีสติมากขึ้นไหมคะหรือมีทางอื่นแนะนำที่จะทำให้เรามีสติเกิดกับตนได้รู้ทันเพื่อดับกิเลสไหมคะก็ถ้ารู้ว่าเราเผลอสติเราก็กลับมาเจริญสติใหม่ทำต่อไปถ้าจะให้ดีก็ต้องหาเวลาไปปีกวิเวกบ้าง เพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องอเช่นวันหยุดทํางานแทนที่จะไปเที่ยวหรือไปทําอะไรต่างๆก็ไปปลีกวิเวกไปหาที่อยู่สงบอยู่คนเดียวเพื่อไปจเจริญสติถ้าเรามีเวลาไปจเจริญสติได้ต่อเนื่องเวลาเรากลับมาทํางานเราก็จะสามารถที่จะประครับประคองสติของเราไว้ให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเราไม่มีเวลาปลีกวิเวกเลย เราก็จะไม่มีการพัฒนาเราก็จะล้มลุกคกคานอย่างนี้ไปเรื่อยๆคำถามจากคุณหนุนะครับถ้าหากว่าหนูยึดถือพระรันาตนไตยเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่ได้นับถือสิ่งอื่นๆเช่นเจ้าแม่กวนอิมแต่ไม่ได้ลบหลู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะเพราะหากมีคนใกล้ชิดเราเขานับถือแต่เราไม่นับถือ บางครั้งมันดูเหมือนว่าเราจะยึดถือความเห็นของเราเกินไปหรือเปล่าถ้าความเห็นเป็นของที่ถูกต้องเป็นของที่มีคุณประโยชน์กับเราก็ไม่เห็นหน่าเสียหายตรงไหนเช่นเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องกินยาถ้ายานี้กินแล้วทำให้เราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บการที่เราจะไม่กินยาของคนอื่นก็ไม่เห็นหน่าจะเสียหายตรงไหนเพราะเราไม่รู้ว่ายาของคนอื่นกินแล้วจะหายหรือไม่หาย แต่ยาที่เรามีอยู่นี่กินแล้วหายเราก็กินยาของเราไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจของพวกเราถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราจะไม่มีความทุกข์ใจเลยส่วนคนอื่นเขจะกินยาชนิดเื่นเก็จะกินเจ้าแม่กวนอิมเขาจะกินหมอดูกินอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ไปห้ามเขาไม่ไปรบหลูเขาปล่อยเขาไปตามเนื่องของเขาทางใครทางมันยาของใครยาของมัน คำถามจ้าคุณจิรัตนะครับมีคนว่ากันว่าการสร้างพระประธานองค์ใหญ่ถวายคนเดียวถือว่าเป็นบุญใหญ่และอนิสงฆ์ในการถวายจะทําให้ผู้ที่ถวายคนเดียวคนนั้นอายุสั้นขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะคนถวายคนเดียวแล้วอายุสั้นเนะี่ยบุญใหญ่เกินไปอย่างนี้ครับบุญใหญ่เกินไปนะทำให้อายุสั้นเนะียครับสำรักมนุษย์อ๋อไม่หรอกคือ บุญใหญ่หรือบุญน้อยอยู่ที่จ่ายมากจ่ายน้อยถ้าจ่ายมากก็บุญใหญ่ถ้าจ่ายน้อยก็บุญน้อยส่วนอายุสั้นอายุยาวไม่ได้อยู่ที่การทําบุญมากหรือทําบุญน้อยอายุสั้นหรือยาวมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องวิบากกรรมบาป ก, กรรมที่ทํามาในอดีตทําให้เรามีชีวิตอายุสั้นได้หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เป็นเรื่องสุดวิสัย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญมากหรือทำบุญน้อยคำถามจากคุณดอฟินนะครับอยากทราบว่าเวลาเครียดมากๆการเครียดแต่ละครั้งเป็นเพราะคนอื่นทำให้เครียดค่ะพุทโธยังไม่อยู่เลยมีวิธีไหนที่จะเราให้เราได้สงบได้บ้างความเครียดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ความอยากของเรา อยากทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอคนอื่นเขาขัดขวางเราเราก็เลยเครียดขึ้นมาทำไม่ได้เราก็เลยเครียดกับเขาความจริงถ้าเราไม่มีความอยากถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราจะไม่เครียดกับใครแตพอเราอยากได้นู่นได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่พอคนนู่นคนนี้มาเป็นอุปสรรคขวางกันความอยากเราเราก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาวิธีที่จะหยุดความเครียดก็มีสองวิธีไปนั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธทาใจให้สงบ แล้วความเครียดก็จะหายไปชั่วคราวถ้าจะหายอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเหตุทําให้เราเครียดขึ้นมาคําถามจะคุณจงสินีนะครับการสวดมนต์เป็นบุญไหมคะสามารถ แผ่กุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรได้ไหมคะแล้วเขาจะได้รับไหมการส่วนมนเป็นการทําใจให้สงบทําสมาธิเป็นบุญเฉพาะตนไม่สามารถที่จะแผ่ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ทุกคนต้องทํากันเองก็อยากจะมีความสงบก็ต้องทําเองคนอื่นทําให้เราไม่ได้แผ่ให้เราไม่ได้แบ่งความสงบให้เราไม่ได้ถ้าแบ่งได้พกพระพุทธเจ้าก็แบ่งนิพพานให้เราแล้ว เราก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์กันอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ความสงบนี้เป็นธรรมที่แผ่กันไม่ได้ให้กันไม่ได้ต้องทําเองให้ได้แต่เฉพาะบุญที่เกิดจากการทําทานเช่นวันนีน้ญาติโยมมาทําบุญทําทานเราอยากจะแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี้บุญนี้แบ่งได้มีบุญชนิดเดียวเท่านั้นที่แบ่งได้บุญชนิดอื่นนี้แบ่งไม่ได้ของใครของมัน คำถามจากคุณพันนิดานะครับเมื่อนั่งภาวนานานารู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งยิ่งเร่งพุทโธพุทโธยิ่งเจ็บปวดมากจิตไม่ยอมสงบเลยค่ะจะทําอย่างไรดีถ้าทนไม่ไหวก็ลุกไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนรี่อาบทลุกไปเดินไปเจริญสติใหม่ไปสร้างสติให้มีกําลังมากขึ้นแล้วพอมีพอเดินเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ต่อทําสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนการจะสามารถผ่านความเจ็บปวดไปได้คําถามจักคุณจัญยานะครับเมื่อนั่ง เ, เวลานั่งทำไมถึงชอบง่วงคะเหมือนสับังงกตลอดยิ่งฝืนเหมือนยิ่งหนักเพราะกิเลสมันไม่ชอบกิเลสชอบนั่งดูหนังอพอนั่งเล่นไพยนั่งดูหนังนี่ตาตื่นขึ้นมาเลยเหูตาตื่นขึ้นมาแต่พอให้นั่งพุโทโธพุโทโธนี่มันจะหลับ นั้นต้องฝืนมันแล้วก็ต้องกินให้น้อยหน่อยแล้วก็ฝึกสติให้มากเออถ้ามีสติมากแล้วร่างกายหิวไม่ไม่ไม่อิ่มมากมันก็จะไม่ง่วงก็จะนั่งได้นานนั่งแล้วจะไม่หลับคําถามจากคนบีนะครับพระที่ดูดวงให้คารวะผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นกิจกรรมไม่เป็นหน้าที่ของพระที่ควรจะทํา หน้าที่ของนักบวชก็คือมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีธรรมแล้วก็เอามาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปการเป็นหมอดูนี้ไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แต่การมาเป็นหมอดูก็เพราะพระอยากจะมีรายได้พิเศษอยากจะมีลำไส้ถ้าดูหมอเป็นก็จะมีญาติโยมที่ชอบดูหมอให้มาดูพอมาแล้วก็จะมีการถวายปัจจัยเงินทองให้ไว้ใช้สอย พ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าพระที่บวชมาเพื่อเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดไม่เห็นภายในสงสารคําว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุนี้เป็นผู้ที่มาบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่มาบวชเพื่อที่จะมาเพิ่มพจนเพิ่มชาติด้วยการหาเงินทองมาซื้อของตามความอยากต่างๆผิดผิด เป้าหมายของการบวชเสียเข้าสุขของชาวบ้านคําถามจะคุณบังอ่อ น, นะครับเวลามีสติรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเครียดจะแก้ไขอย่างไงคะมีสติรู้สึกตัวแล้วเครียดมันมีสติแล้วมันน่าจะไม่เครียดที่มันเครียดเพราะมันไม่มีสติหรือว่ามันมีสติหรือว่ากําลังเครียดก็หยุดความเครียดด้วยการบาลีกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เรามีความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราหยุดความคิดปรงแต่งได้ความเครียก็จะสงบตัวลงไปคำถามจากคุณบงกฎนะครับกาบเรียนวิธีทำให้คุณแม่หลุดพ้นและพบเจอความสุขที่แท้จริงหรือเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคือธรรมะโดยการปล่อยวางการเข้าใจหรือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเรา เพราะทุกวันนี้คุณแม่ท่านคิดว่าความสุขที่แท้จริงคือการรักและห่วงลูกๆจัดการทุกเรื่องแทนทุกคนทั้งๆ ท, ที่ท่านตัวเองท่านก็เหนื่อยและเสียใจบางครั้งเมื่อเวลาที่ทุกคนไม่เห็นคุณค่าหรือสิ่งที่ท่านทำเลยอย่างนี้จะมีวิธีหรืออุบายทางออกให้ท่านอย่างไรดีคะก็ต้องหาวิธีให้ท่านได้ฟังเทศฟังธรรม ถ้าท่านได้ฟังเทศฟังธรรมท่านก็จะรู้ว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรคำถามข้อต่อไปนะครับคำถามจากคุณดูแล้วฉลาดขึ้นนะครับทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญจริงหรือเปล่าครับก็บุญมีหลายหลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสำเร็จในอะไรถ้าเราต้องการความสำเร็จ ในการมีฐานะที่ร่ำรวยเราก็ทำทานไปเรื่อยๆทำบุญไปเรื่อยๆแล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดเราก็จะร่ำรวยกว่าชาตินี้แต่อย่าไปหวังร่ำรวยในชาตินี้ด้วยการทำบุญทําทานเพราะทำล่วมันจะจนลงไปเงินมันจะน้อยลงไปมันไม่ได้มากขึ้นแต่มันจะไป ม, มากเหมือนชาติหน้าเหมือนชาวนาชาวไร่แทนที่จะเอาข้าวมากินก็เอาข้าวไปเก็บไว้สาหรับไป ไปพาะปลูกไปหวานพอมีข้าวไปเพาะปลูกเนี่ยฝนหน้าพอเก็บเกี่ยวข้าวหน้าก็จะได้ข้าวมากกว่าเดิมนี่คือถ้าอยากจะสําเร็จด้วยการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากการทําบุญก็ต้องทําบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปชาติหน้าเราก็จะได้บุญได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่เรามีอยู่ในชาตินี้ ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องใช้บุญที่เกิดจากการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นว่าการทำตามความอยากนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดการหยุดการทำการตามความอยากจะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งดะนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการความสาเร็จใน ในเรื่องอะไรถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบายเราก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่าไปทำบาปทำกรรมแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะไม่ไปเกิดในอบายได้อย่างแน่นอนคำถามที่คุณสระอัดนะครับการออกบวชแบบจริงจังจำเป็นไหมที่ต้องให้คนรอบข้างเราเช่นบิดามารดาภรรยาบุตรเห็นด้วยทุกคน ถ้าเรามีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างน้อยเราก็ต้องปรึกษากันเพราะว่าภรรยาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเขาเป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้ร่วมสัญญามีสัญญาผูกพันกันสา ม, ามีภรรยาจะแยกกันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันพ่อแม่กับลูกก็เป็นเหมือนผู้ที่มีสัญญาที่จะอยู่ร่วมกัน เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องแยกกันก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างน้อยพ่อแม่ต้อง อ, อนุ ญ, ญาตการมาบวชนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่อนุ ญ, ญาตก็บวชไม่ได้แต่ภรรยาก็ต้องมีความเห็นชอบยินยอมอมีความเข้าใจกันไม่งั้นแล้วจะทำให้เขาเสียใจหรือทำให้เขาทำอะไรที่เสียหายได้คำถามเจ้าคุณวงทิพย์นะครับ โยมขอกาบเรียนถามว่าถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะเจ็บเข่าอยู่การนั่งเก้าอี้จิตจะรวมได้เหมือนนั่งขัดสมาธิไหมเจ้าคะได้มันไม่ได้อยู่ที่ถ้านั่งหรอกมันอยู่ที่สติถ้าสติมีกำลังมากมันก็รวมได้ทุกที่ถ้ายืนถ้าเดินก็รวมได้ถึงเวลามันจะรวมถ้ามีสติอยู่ คำถามจากคุณอ f อบแอนะครับมีอยู่วันหนึ่งหลังเลิกงานรู้สึกเหนื่อยมากจึงทิ้งตัวลงบนเก้าอี้แล้วหลับตาดูลมหายใจเข้าออกสักพักก็เห็นภาพคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีแต่ความรู้สึกของเราเหมือนพวกเขาเป็นคนอื่นเหมือนมองคนหนึ่งที่เราเคยเห็นหน้าแค่นั้นดูอยู่สักพักก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในหัวเราหยุดแล้วท่าน ตางหากที่ยังไม่หยุดพอจบประโยคนี้ร er ู้สึกเสียใจที่สุดรู้สึกหดหูร้องไห้ไม่หยุดโดยไม่ทราบเหตุผลและอาการหดหูนี้ยังคงต่อเนื่องอยู่ค่ะอยากทราบว่าอาการที่เกิดแบบนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะและเมื่อเกิดแล้วควรจะพิจารณาอย่างไรต่อก็เกิดจากสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นในขณะที่เรานั่งสมาธินั่นเองแล้วเราไม่รู้จักวิธี พิจารณาสิ่งที่เรารับรู้เราไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้มันก็เลยเกิดความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีปัญญามีสติเราก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้เป็นการภาวนาที่ไม่ถูกหลักการภาวนาที่ถูกหลักคนจะยึดลมหายใจเข้าออกต่อไป อย่าไปสนใจกับภาพหรือสิ่งที่ปาปรากฏให้รับรู้เพราะถ้าไปสนใจก็แสดงว่าเราเสียสมาธิแล้วใจเราจะไม่มีกำลังที่จะวางเฉยได้แต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็จะวางเฉยได้มีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปโดยที่ไม่มากระทบกระเทือนใจของเราคำถามจากคุณสุวรรณานะครับ การสวดมนต์ไม่สามารถอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรได้และถ้าการภาวนาสามารถอุทิศให้ได้ไหมเจ้าคะไม่ได้มีการทำบุญทำทานที่จะอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปแล้วได้เรื่องเจ้ากรรมในเวรนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องไปปรึกไปเจราจากับเจ้ากรรมในเวรเช่นถ้าเรามีคู่กรณีเราไปติดหนี้เขาอย่างเงี้ยเราจะให้เขาไม่มาจองเวรจองกรรมมาทวงหนี้เราเราก็ต้องใช้หนี้ให้เขาไป ถ้าใช้นี่หมดแล้วเขาก็ไม่มาจองเขาก็ไม่มาทวงนี่แล้วปัญหาของเราคือเราจะไม่อยากให้เขามาทวงนี่แต่เราไม่ยอมใช้นี่มันก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นนี่เขาก็ามาทวงก็ต้องใช้เขาไปถ้าไม่ใช้เขาเขาก็ต้องมาจองร่างจองผานเรามาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเพื่อที่จะได้ไปใช้นี่ที่เราเป็นอยู่ดังนั้นถ้าเราทำอะไรกับใครไว้ก็ไปใช้นี่เสีย ไปขับรถชนรถเขาพังอย่างนี้ก็ไปซ่อมรถให้เขาหรือซื้อรถใหม่ให้เขาเมื่อซื้อรถใหม่แล้วเขาก็จะไม่มาโกรธมาเกลียดเราไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราไม่ใช่ไปชนรถเขาพังแล้วก็ขับหนีพอเขารู้ว่าเป็นใครเขาก็จะตามมาตามมาเอาเรื่องกับเราแลนั่นเองดังนั้นทําะายผิดก็ต้องชดใช้ความผิดชดใช้ความเสียหาย เราไปฆ่าใครเขาต้องการจะมาฆ่าเราก็ต้องยอมให้เขาฆ่าแล้วเวรมันก็จะได้หมดนะเช่นเช่นพระโมคคัลลานะท่านก็ชาติก่อนท่านก็เคยไปฆ่าคนพอชาตินี้ท่านก็มีคนยามาตามฆ่าท่านทั้งทั้งที่ท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริสามารถเหาะเหินเดินอากาศหรือล่องหนได้ท่านบอกว่าทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหนีเขาวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ ดาบใดที่เขายังไม่ได้หนี้ของเขาคืนเขาก็จะตามมาทวงหนี้อยู่เรื่อยๆดาบใดที่เขายังไม่ได้ฆ่าเราเขาก็จะตามมาฆ่าเราอยู่เรื่อยๆดังนั้นท่านก็เลยยอมตายดีกว่าเพื่อจะได้หมดหนี้หมดกรรมกันคำถามจากคุณพรวิทยานะครับคุณพ่อไม่เชื่อในการทําบุญแก่พระสงฆ์มีอุบายอะไรให้ท่านเชื่อเรื่องผลบุญที่ท่านที่ทํานี้ได้เจ้าคะาทํากับคนอื่นก็ได้เอ ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้บุญเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นพระอาหารหันตของตนทำกับใครก็ได้ขอให้เขามีการเสียสละแบ่งปันก็ถือว่าได้บุญแล้วเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนั้นอาจจะมีไม่เหมือนกันถ้าเราทําบุญกับพระสงฆ์เราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเราก็จะได้สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าบุญที่เราทำซิเอง แต่ถ้าเราไปทากับคนอื่นทากับคนที่เขาไม่มีทมเราก็จะไม่ได้ทมจากเขาคะคำถามจากคุณแมวและคุณปูรวมกันนะครับเราสามารถอธิษฐานแบ่งบุญให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตได้ไหมคะถ้าคุณแม่ป่วยเราสามารถทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อส่งบุญให้คุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอก ก็ต้องต้องทำกันเององั้นก็สบายเลยทั้งปีทั้งชาติเที่ยวเล่นกินเหล้าเมามยาพอเวลาไปนอนโรงพยาบาลก็ให้พระมานั่งวิปัสสนาให้มันทําไม่ได้ของใครของมันคําถามจากคุณจงศรีนะครับภาวนาที่บ้านสามารถหลุดพ้นไหมคะได้ที่ไหนก็หลุดได้อยู่ที่ว่าเรามีสติสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาก็หลุดพ้นได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่ง คำถามจากคุณดูแล้วฉลาดขึ้นอีกครั้งนะครับนั่งหลับตาทำสมาธิหายใจเข้าออกพุทโธจะได้บุญมากกว่าทําทานจริงหรือแล้วบุญจะได้มาอย่างไรถ้าอย่างนี้อยากได้บุญไม่ต้องทําทานก็ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้บุญโดยไม่ต้องลงทุนรัพ์สินเงินทองถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะว่าถ้ายังทาบุญทาทานไม่ได้ก็จะไ่นั่งสมาธิไม่ได้ เหมือนคนที่ยังไม่ได้จบม .6 จะไปเข้ามาหาลาัยก็เข้าไม่ได้ต้องเรียนให้จบมมหาม .6 ก่อนแล้วถึงค่อยไปสอบเอ็นเข้ามาหาลัยต่อไปบุญแต่ละชั้นมันมีความยากง่ายต่างกันไงทำทานนี่มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลมันง่ายกว่าการนั่งสมาธิทาใจให้สงบดังนั้นถ้าเรายังทำทานไม่ได้เราจะไปนั่งสมาธิได้อย่างไรนั่งไปก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่ดีไม่ได้ผลอยู่ดี คำถามจากคุณก้องล่านะครับอยากจะเรียนถามว่าการนอนฟังเสียงธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จาก Youtube เหมาะสมหรือไม่ครับถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่เป็นไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของกาลเทศะแต่ถ้าเราคิดว่าถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ใน u t u b e ท่านก็เหมือนกับอยู่ต่อหน้าเราถ้าเราอยากจะแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์เราก็ควรจะนั่งในท่าที่เหมาะสมเหมือนกับเรานั่งต่อหน้ากับท่าน เหมือนที่ศาลาปฏิบัติธรรมที่ในเขตปฏิบัติธรรมในสวนครับผู้ฟังก็จะนั่งเหมือนอยู่บนศาลาครับจะอาการเดียวกันไม่ไม่คุยกันไม่อะไรทั้งสิ้นครับอาจารย์คำถามจะคุณมนตีนะครับจิตของพระโสดาบันกับคนธรรมดาต่างกันตรงไหนครับ ต, ตรงที่พระโสดาบันไม่ยึดติดกับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณน้องเล็กนะครับบุญที่สามารถอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทําได้อย่างไรบ้างคะ เ, เจ้ากรรมนายเวรนี้เราอุทิศให้เขาไม่ได้หรอกนอกจากว่าเขาเป็นเป็นเรตแล้วเขามารอรับส่วนบุญของเราเราถึงอุทิศได้ถ้าเขายังมีมีชีวิตอยู่เข้ามาตามจองเวรจองกรรมเรานี้เรามีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องใช้ใช้ ใช้หนี้ให้กับเขาไปเขาต้องการอะไรก็ต้องให้เขาไปเขาถึงจะเลิกจองเวรจองกรรมได้หมดได้ยัง เ, ย เ, เหลือกิน้อดีเหลือไม่มากแล้วครับอาจารย์เหลือเหลือข้อเดียวอพอพอเดียวไหมครับข้อเดียวพอไหมครับอาจารย์ข้อเดียวก็พอสมควรครับจากคุณพิทิพรนะครับเราเป็นเจ้าหนี้ค้ำประกันหนี้ให้คนอื่นและทรัพย์สินจะโดนธนาคารยึดเนื่องจากคนที่เราค้ำประกัน ให้ล้มละลายและเราคิดว่าลูกหนี้ไม่พร้อมใช้หนี้ลูกนี้ไม่คิดจะชำระหนี้เพราะไม่สามารถชดใช้ได้ทั้งหมดเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะเพราะทรัพย์กำลังจะโดนยึดถือว่ามันไม่ได้เป็นทรัพย์ของเราแล้วเวลาที่เราไปค้ำประกันก็ถือว่าเรายกทรัพย์อันนี้ให้กับผู้อื่นไปแล้วก็ต้องยอมเสียไปมีคาถามของบรรทัณซึ่งค่อนข้างยาวมากนะครับครั้งหน้าค่อย